นำไปพิสูจก็เป็นจริงอย่างที่ทรงตัดไว้ยังไม่มีใครมาลบล้างพรธะรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่มายืนยันมารับรองว่าเป็นสว่าขาโตพระกวะตาธมโมเป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นธรรมที่ไม่ใช่ให้เชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่อย่างคำสอนของศาสดารูปอื่นเช่นสอนว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้มาถ่ายบาปถ่ายกรรมให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย อันนี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ไม่เหมือนกับพระพุทธศาสนาก็ทำคำสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ไถ่าบาปเป็นตนเป็นผู้กำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกับาศาสนาอื่น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 นี่คือความจริงที่เป็นอากาลิโกพวกเราที่มาอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้จึงอย่าลังเลสงสัยเครือบแข่งใจว่าเอพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในโลกนี้แล้วพระธรรมคำสอนของพระองค์นี้ยังจะสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้หรือไม่ เพราะว่าแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่สามารถพิสูจน์ความจริงของพระธรรมคำสอนได้อยู่เรื่อยๆว่ายังเป็นความจริงอยู่ยังยังประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับในสมัยที่พระบรมบ ศ, าศาสดาทรงประทับอยู่เพราะว่าคำที่ทรงตัดไว้ว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาก็คือเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราในรูปของพระธรรมวินัยที่พวกเราศึกษากันอยู่มาอย่างต่อเนื่องนี่เองท่าน ขั้นตอนหลังจากที่เราศึกษาแล้วนั่นก็คือต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติปฏิเวทคือผลอ mm ันเลิศอันประเสริฐเช่นมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจะไม่ปรากฏขึ้นมาโสดาปฏิผลจะไม่ปรากฏขึ้นมาสกิดาคามิปฏิผลจะไม่เกิดขึ้นมา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 ถึงจะยังผลคืออริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาได้ดังที่พวกเราได้เจริญบทสังขานุสติขันอยู่เป็นประจำสุปฏิปันโนสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆนี่ก็เป็น เป็นการปฏิบัติเป็นขั้นที่สองของการเจริญสร้างที่สร้างสารณะที่พึ่งทางใจขั้นแรกก็คือปริยัตคือการศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันจะศึกษาจากพระไตรปิฎกที่ได้ มีการจารึกไว้ก็ได้หรือจะศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยตรงถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือจะศึกษาจากหนังสือคําสอนของท่านหรือว่ า, าแผ่นซีดีบันทึกเสียงหรือแผ่นวิดีโอบันทึกภาพและเสียงก็เป็น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 เวลาเห็นทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เวลายกหินออกจากหญ้าไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งหญ้ากจ็จะเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ฉัในใดกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนหญ้าเวลาอยู่ในสมาธิก็ถูกกำลังของสมาธิออกดเอาไว้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 เกิดความอยากดื่มอยากรับประทานเพื่อความอยากอยากจะดื่มมหาดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอยากจะรับประทานอาหารชนาดนี้ชนิดนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการเติมธาตุให้กับร่างกายและกิเลสตัณหาไปพร้อมๆกันเพราะว่าไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะ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 หาวิธีดับทุก์จากสิ่งต่างๆภายนอกแทนที่จะเข้ามาหาวิธีดับทุกภายในเพราะเหตุที่ทำให้เกิดทุกนี้มันอยู่ข้างในนี่ถ้ารู้วิธีก็จะสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ถ้าเข้ามาดูว่าต้นเหตุของความทุกข์ภายในใจคืออะไร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 ท่านก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านก็มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดากันทั้งนั้นแต่ทําไมท่านตัดสิ่งเหล่า น, นี้ไปได้อย่างง่ายดายทาไมพวกเรากับตัดกันไม่ได้เพราะพวกเราไม่ฉลาดนั่นเองหรือจะเรียกว่าโง่ก็ได้ที่ไม่เห็นทูตเทวทูตสี่ ที่คอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆว่าเวลาเราใกล้จะหมดไปแล้วนะเวลาเราเห็นคนแก่แทนที่เราจะโอปัยิโกย้อมเข้ามาหาตัวเราน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าเรากําลังจะแก่แบบนี้แล้วนะเวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่น้อมเข้ามาว่าเรากําลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเวลาไปงานศพ เห็นคนตายเราก็ไม่น้องเข้ามาที่ตัวเราที่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ดีละ่ะคือสิ่งที่พวกเราไม่กระตุ้นจิตใจของเราพองจึงทรงตรัสว่าเป็นการตั้งตนอยู่ในความประมาทนี้เองถ้าอยากจะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท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 ถ้าไม่ได้ออกบวชแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ได้เป็นพระอาหลันตัสสาวกอย่างแน่นอนเพราะเท่าที่ดูมาผู้ที่ได้บรรลุปเป็นพระอาหลันตัสสาวกนี้รู้สึกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นอาจจะมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวถือว่าเป็นกรณียกเว้นเป็นบุคคลที่สามารถบรรลุปเป็นพระอาหลันได้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 ทางที่ท่านทั้งหลายได้นาเนินกันแต่ถ้าเรายังดําเนินในทางที่เรากําลังดําเนินอยู่แบบนี้เราก็ตัดไปได้เลยว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานของเรานี้มันไม่มีเสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเตือนพระโพธิรัตว่าไบลานเปล่าไบลานเปล่า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 ที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งของกิเอกตัณหา this เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอืได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องทุกกับการหาใหม่หามาได้ก็หมดไปใหม่ก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆก็มีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือทางเดินที่พวกเรากําลังเดินกันอยู่ในเวลานี้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 แล้วพอได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะสร้างที่พึ่งทางใจเราต้องบังคับใจของเราเหมือนกับบังคับรถยนต์ที่เราขับเวียนอยู่ในวงเวียนว่าต้องเลี้ยวออกจากวงเวียนเจอถนนที่มีมรรคแปดเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยเจอทานศีลภาวนาก็เลี้ยวเข้าไปเลย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 แล้วก็มุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ได้เบื้องต้นก็ทำแบบมือสมัครเล่นไปก่อนทำไปตามเวลาที่เรามีเวลาว่าเช่นวันหยุดทำงานแทนที่เราจะไปหาความสุขทางร่างกายเราก็มาหาความสุขทางใจมาสร้างที่พึ่งทางใจมาวัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ทำทานรักษาศีล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 ทางเดินของกิเลสตัณหาที่จะเอาเงินทองนี้ไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดโทษกับก จ, จิตใจเอาเงินทองนี้มาทำประโยชน์ให้กับก จ, จิตใจแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เอาเงินทองนี้มาทำบุญให้ทางก็จะสร้างความสุขให้แก่ใจ สาสราณะเล็เลกๆน้อยๆให้แก่ใจให้เห็นคุณประโยชน์ของสรารณะที่พึ่งทางใจนี่คือสิ่งที่เราต้องฝักดันตัวรเราเองทำให้ได้ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาถ้าเราภาวนาจนจิตรวมเข้าสู่ความสงบได้เมื่อไหร่แล้วเวลานั้นแหละเราจะรู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะ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 ห้องพักบ้านพักที่เราจะอยู่ในอนาคตว่าเป็นอย่างไรพอเราเห็นแล้วเราก็จะเกิดความชอบ <c oughs> เกิดความยินดีที่จะเสียเงินเสียทองวางเงินมัดจําเอาไว้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่วางมัดจําเราก็จะไม่ได้เงินไม่ได้บ้านหลังนี้ถ้าเราวางมัดจําเขาก็เอาเงินมัดจําของเรานี้ไปสร้างบ้านหลังนี้ให้กับเรา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 ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเบื้องต้นก็ทำเท่าที่เราทำได้เวลาเรามีมากแต่เราไม่เดินเอาเวลานี้มาปฏิบัติกันเวลาว่างเรามีถึงแม้เรามีภาร ะ, ะอย่างอื่นก็ตามเวลาภาร ะ, ะที่ต้องทางานทาการหรือดูแลคนนั้นคนนี้เราก็ยังมีเวลาว่างอยู่ที่จะมาบําเพ็ญได้แต่เวลาที่เรามีเวลาว่างนั้นแทนที่จะเอามาบาเพ็ญ เราก็ถูกกิเลสแย่งไปเสียถูกดึงให้ไปดูภาพยนตร์ดูละครถูกดึงให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปดื่ไปรับประทานไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับการสร้างสาระทางใจกันอันนี้เราต้องเป็นผู้ที่จัดสรรจัดตารางเวลาของการปฏิบัติของเรา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 เหตุที่จําเป็นบ้างหรือเหตุของกิเลสบ้างก็ไม่รู้ล่ะก็มีการดึงให้ไม่ได้มากันอยู่เสมอนี่แหละคือเรื่องของใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ใจของพวกเราถูกอานาจของกิเลสตัณหาคอยฉุดลากให้เราไปในทางของกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ต่อสู้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 แต่ความสงบที่เราได้รับจากการภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่สามารถดับความทุกข์ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนไปให้ถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนถ้าถึงจุดนี้ได้แล้วทีนี้ก็จะก้าวขั้นต่อไปได้อย่างง่ายดายก็คือจะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละาสลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายออกบวช ด, ดัง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 เพื่อที่เราจะได้เอามรรคผลนิพพานเข้ามาแทนที่นั้นเองการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลายังขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สองวนที่น้องาน่าจะรลให้ท่านจัดฟังแล้วเรีนยนดีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมาที่ไหนดินน้ำลมไฟ แม่ไม่ได้ตายน ะ, ะ แ, มแม่อยู่ในโลกทิพย์นะตอนนี้ก็ถ้ามีบุญอะไรก็อุทิตไปท่านละกันถ้าท่านขาดแคลนก็จะได้อาศัยบุญต่วนี้ถ้าท่านทำบุญมากพอท่านก็ไปสบายลูกออสองคนกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ช่วงที่ แม่ไม่สบายได้นำคำสอนของท่านอาจารย์ไปปฏิบัติตลอดทั้งในแง่ของการดูแลแม่ดูแลกายแม่ดูแลจิตแม่แล้วก็ดูตัวเองทั้งสองคนก็ที่ปฏิบัติจะกลับเรียนส่งกันบ้านท่านอาจารย์ว่าที่ได้ปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งในส่วนของสมถะทั้งในส่วนของการพิจารณาในส่วนของสมถะก็เขา้าใจว่าช่วงที่ที่ได้นั่งสมาธิกับแม่ก็ก็มีความก้าวหน้าขึ้นนิดหน่อยก็คือว่า ปกติเวลานั่งนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านจะจะ เ, เข้าใจว่านิ่งดีขึ้นแต่ว่าไม่เคยเข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์สอนว่าเวลาที่เรานิ่งแล้วในบางขณะเนี่ยเหมือนเสียงข้างนอกเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันในช่วงที่ที่นั่งสมาธิอยู่กับแม่ก็เริ่มมีประสบการณ์อันนั้นว่าเราเรารู้สึกว่ามีเสียงข้างนอกแต่ว่าเราไม่สนใจเสียงเราจะอยู่กับพุโทโธแล้วก็สักพักหนึ่งก็อยากจะให้พุโทโธหัไป ก<ไ milhões>็ก็กนั่งต่อไปเพราะว่าเปิดเปิด เ, ปเทวทูตไว้ให้แม่ฟังแล้วค่ะ hmm. แล้วก็ในส่วนที่เป็นการพิจารณาก็ได้พิจารณาเทวทูตสององค์ที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อกี้นี้ก็คือว่าได้เห็นความจะป่วยเทวทุตที่เป็นความเจ็บป่วยค่อนข้างชัดได้พิจารณาเวทนาว่าเวทนาเวลาเกิดขึ้น มันมีความแบ่งก้าขนาดไหนแล้วก็ได้พิจารณาความไม่สวยงามความเสื่อมของร่างกายเห็นธาตน้ําที่ออกมาจากกายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นคาวมีกลิ่นอะไรก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นความไม่สวยของร่างกายเได้เห็นว่าเวทานานี้เกิดขึ้นแล้วมันรุนแรงแต่ว่ามันก็มีโอกาสดับของมันในช่วงที่ดับจิตก็ขดคลายจากจากความตึงเครียดจากเวทนาแล้วก็ได้เห็นการพิจารณาสังขารว่า ออตอนที่เวลามีการพิจารณาว่าเราดูกายว่าตับไตปอดน้ำลำไส้เป็นยังไงเวลาคําแม่ก็จะเห็นว่าเออหนังหุ้มกระดูกส่วนนี้เป็นลำไส้ก็พยายามพิจารณาต่อไปออตอนช่วงที่แม่ใกล้จะดอกไปก็ได้พิจารณาค่อยค่ยคยพิจารณาถึง อ, อ, องค์ประกอบของกายแม่ว่าธาตุน้ำค่อยคอยค่อยค่ไหลออกมาแล้วมันก็หยุดไหล ในส่วนของธาตุดินที่ที่มันมันจะค่อยๆเสื่อมพอมันค่อยๆดับไปมันก็จะเป็นความเย็นเป็นความแข็งในส่วนของลมที่อยู่ในร่างกายมันก็จะกระชั้นขึ้นสั้นขึ้นเดิมจากาท้องขึ้นไปเป็นปอดเป็นลําคอส่วนล่างลําคอส่วนบนเหลือแค่ประมาณโพงจมูกแล้วก็เพือกสุดท้ายดับไปดูการเคลื่อนไหวของลูกตาดําว่ามีการเ กลับยังไงมีการเลือกขึ้นยังไงอันนี้เป็นเทวทูตองที่สี่ที่ท่านอาจารย์สอนลูกได้พยายามดูจนกระทั่งแม่สิ้นใจไปก็ได้ดูล่างกายต่อไปว่าร่างกายนั้นธ า, าดินค่อยๆเ ย, ย็นลงจนเป็นเหมือนท่อนไม้สีหายไปลมหายไปธาตุไฟหายไปร่างกายแข็งลงแล้วก็ธาตาุต่างๆก็พยายามจะสลายออกจากกันลูกดูสังเกตจิตตัวเองว่า ว่ามองอยู่เห็นเขามาท อ, อมาทำศพมาฉีดยาเห็น เ, ออเขาพยายามจะกรีดเส้นตอนนั้นรู้สึกว่าออสังขานี้ยังเป็นแม่เราอยู่รู้สึกสงสารว่าสังขานี้เป็นแม่เราเออเออจิตตกลงไปก็บอกตัวเองว่านี่คือสังขารนี่คือดินน้าลมไฟแต่ว่าพอเห็นเทวดทูต ท, ทั้งสอ ง, ององค์ชัดๆแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีความเชื่อมต่อกัน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 ถือว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้พิจารณาทุกขเวทนาถ้าเราพยายามสู้ด้วยสมาธิหรือสู้ด้วยปัญญาสักวันหนึ่งเราก็จะปล่อยวางทุกขเวทนาได้แล้วทุกขเวทนาจะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปขอบคุณท่านอาจารย์ อาจารย์ครับมีคำถามตอบค้างของเฟซบ o o กพอนเอาเลยครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k นะครับจากคุณวินนะครับ <c oughs> ผมพยายามทำสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็ได้แค่ความสงบแต่ไม่ถึงขั้นสมาธิระดับลึกอย่างมากได้แค่ความรู้สึกถึงลมโดดเด่นออกมาแต่ก็เพียงชั่ววูบและก็มีความคิดแทรกเข้ามาต่ อ, อยา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 คำถามคำแรกก็คือให้ทำให้มากขึ้นไปทำให้บ่อยมากขึ้นทำมากขึ้นแล้วความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเองเหมือนกับการเติมน้าใส่ตุ่มถ้าตักน้อยน้ํามันก็ไม่เต็มหรือเต็มชาถ้าตักบ่อยๆตักมากๆเดี๋ยวน้ามันก็เต็มก็จะริ่งสติอาณาปณาาสติไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้น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 พอกิเลสยอมแพ้เลิกต่อต้านแล้วความอึดอัดความตึงเครียดต่างๆภายในใจจะหายไปเหมือนเป็นพริกหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยเวลาต่อสู้กับกิเลสนี่โอ้โหเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นพอกิเลสยอมแพ้ปั๊บเหมือนขึ้นสวรรค์นั่งจรวดขึ้นสวรรค์พุ่ดขึ้นไปเลยเนี่ยมันรวดเร็วอย่างนั้นมันสงบมันเบามันสบายนี่แหละคือ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 ถ้าลองได้ชนะกิเลสสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังใจมากที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นฆ่ากิเลสตัวที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหัวหน้ามันเลย <Yeah. S 2> อันนี้เราอย่าแพ้อย่างที่หลวงตาท่านพูดไว้ว่าสู้ไม่ถอยเนี่ยอันนี้แหละเป็นคำที่เราควรที่จะดำลึกอยู่เรื่อยๆถ้าจะสรุปคำสอนของหลวงตาว่า อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่สู้ไม่ถอยถ้าสู้ไม่ถอยมันก็ต้องชนะเท่านั้นแหละถ้าถอยมันก็แพ้ไปตลอดนี่คือคําตอบไม่รู้ครับข้อที่สองคงจะตอบพร้อมๆกันไปแล้วที่มีที่อาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าที่บอกว่าถ้าเราผ่านเวทนาข้อนี้ไปได้แล้วเวทนาตัวอื่นก็จะไม่มีในความหมายต้นนี้คืออะไรคะ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 อันนี้เป็นเรื่องทุกขเวทนาทางร่างกายแต่ทุกทางใจไม่มีทุกร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของปุุ้ชนธรรมดาอย่างพวกเราเหมือนกันไม่มีวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือเป็นปุุ้ชนก็มีความเจ็บทางร่างกายเหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันถ้าจะเป็นโรคมะเร็งก็เป็นได้ mm hmm. เป็นอะไรก็เป็นได้เหมือนกัน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 ขันห้าของพระพุทธเจ้ากับของบุตุชนธรรมดานี้เหมือนกันแ ต, แต่ว่าขันห้าของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาแล้วแต่ขันห้าของบุทุชนนี้ยังเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาอยู่กิเลสยังใช้เครื่องขันห้านี้เป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะยังมีความอยากให้ขันห้านี้เที่ยงนั่นเอง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 ใจศูนย์ใจนิ่งใจไม่บวกไม่ลบแต่ถ้าเป็นกิเลสนี่จะบวกจะลบเวล า, ไ ม, าไม่สบายแล้วหายนี่โอ้โหใจบวกขึ้นมาเลยดีอกดีใจกันใหญ่เวลารักษาไม่หายใจตายไปใจก็ดิ่งติ ด, ดลบก็ไปเลยเหมือนหุ้นตอนเนี้ยดิ่งลงเสซวเวลาหุ้นดิ่งลงนใจก็ดิ่งลงตามทุกการตามไปหมด เวลาหุ้นขึ้นก็โอ้โหใจก็หเหาะเหือนเดินอากาศตามกันไปหมดอันนี้แหละเป็นกิเลสเข้าใจไหมเป็นเครื่องของกิเลสคนที่ไม่เล่นหุ้นก็ไม่ไ เ, เดือดร้อนเลยขึ้นก็ขึ้นหลงก็หลงไม่รู้ไม่เข้าใจมันต้องไปดีใจเสียใจ <c oughs> กับอะไร <c oughs> ต่างกันตรงนั้นขันห้ายังมีเหมือนเดิมตั้งแต่วันวันเพ็ญเดือนหกที่พระเจ้าทรงตัดจะรู้แล้วขันห้าของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมก่อนวันเพ็ญเดือนหกอยู่ ไม่มีวันไม่มีความแตกต่างกันเองแต่ว่าเป็นเป็นเป็นขันที่ไม่มีกิเลสตัณหามาครอบครองแล้วปล่อยให้เป็นขันธ์ามธรรมชาติปล่อยให้เกิดให้ดับไปเป็นตามธรรมชาติของเขาใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่แบกขันห้าอย่างนี้พาะฮาวเวนี่ไม่แบกแบกกิเลสตัณหาแต่ยังต้องแบกแบบตามภาวะอยู่คื อ, อยังต้องเลี้ยงร่างกาย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 แต่ก็อร่อยเหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินส้มตาข้างถนนก็อิ่มเหมือนกันกินส้มตาในวังก็อิ่มเหมือนกัน <S <S แต่วิธีประดับประดาวิธีเสิร์ฟนี่จะต่างกันจะมีจานมีช้อนมีมีโตะ๊ะมีอะไรต่างๆแต่ถ้าเสิร์ฟข้างถนนก็ก็อะไรก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ใส่จานก็ได้ใส่กระทงก็ได้ แากอารับประทานเข้าไปแล้วก็อิ่มเหมือนกันนี่คือความแตกต่าง ร, าะระหว่างพระสาวกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีภาพบา ร, รมีประดับมากกว่าพระสาวกปัญญาบา ร, รมีก็สูงสุดสมาธิก็สูงสุดทรงเป็นทั้งเจโตทรงเป็นทั้งเจโตวิมุตติกับวิปัสสนาวิมุตติหรืออะไรปัญญาวิมุตติคือเก่งทั้งทางด้านปัญญา เก่งทั้ง้าง น, น่านสมาธิมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ครบทุกอย่างภาษาโลกนี้จะเก่งไปในทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเทศภาษาสารีบุตรก็จะเก่งไปในทางปัญญาลองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระโมคคัลลานี้ก็จะเก่งไปทางอิทธิฤทธิปาฏิหารลองจากพระพุทธเจ้าพระศิวะลีก็จะเก่งไปในทาง <c oughs> ทานบารมีแต่ก็ลองจากพระพุทธเจ้า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 พระพุทเจ้าถึงทรงยกย่องพระสาวรีบุตรว่าเป็นอัครสาวกส่วนพระโมคคัลลานี้ทรงยกย่องว่าเป็นอัครสาวกซ้ายพระสาวรีบุตรนี้อัครสาวกขวาเพราะปัญญานี้สําคัญกว่าแต่ทั้งทั้งพระสาวริบุตรกับพระโมคคัลลานี้ก็มีปัญญาสําหรับการฆ่ากิเลสบรรลุเป็นพ้ะหลานได้เหมือนกัน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 ถึงจะบรรลุมากผลนิผ่านกันได้แต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นของแถมไปเท่านั้นเองก็เพื่อเอาไปทําประโยชน์ให้แก่โลกต่อไปอาจารย์ครับมีคำถามส่วนตัวนี้อยากจะมาถามครับ <c oughs> คือว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยคือการ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 จะต้องลุยต่อไปเพื่อยอมให้ตัวเองอยอมให้คนอื่น ส, สบายในขณะที่ตนเองลำบากหรือว่าให้อยู่ที่ระดับเดิม อ, อยู่กับกรรมดีไปก่อนครับพระอาจารย์คือการที่เรามองอย่างนี้เป็นการมองที่ไม่ถูกเราไปมองว่าการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ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 อาจจะไม่ต้องกลับม า, บบมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วก็ได้ถ้าท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงอ๋อแม้แม้แต่อ่าสิ่งที่ทําเนี่ยเป็นการทําให้ผู้อื่นเห็นธรรมเนี่ยยังไงก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่เห็นธรรมเราจะไปบอกคนอื่นเห็นธรรมได้ยังไงถ้าเราีตาบอดเราจะบอกว่านี่หมานี่ Hahn, วัวได้ยังไงนเราต้องลืมตาก่อน <mm เห็นก่อน <mm <mm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 พอเราเห็นเราบอกแล้วนี่เขาจะทำตามเราได้อย่างง่ายดายแล้วรวดเร็วตอนนี้เราเป็นเหมือนคนตาบอดนาคนตาบอดช่วยกันแบบคนตาบอดช่วยกันหรือคนจมน้าคนว่ายน้ำไม่เป็นกอดกันช่วยกันก็จมด้วยกันทั้งคู่ไปไม่ถึงฝั่งแต่ถ้าเราว่ายน้ำไปฝั่งแล้วรีบไปเอาเรือกลับมาเราก็จะช่วยคนที่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 เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะทำได้อาจจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลมีทานเป็นผู้สนับสนุนทานก็คือต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปสละราบยศสรรเสริญสละสามีภรรยาสละพ่อสละแม่สละบุตรทีดาไปขอให้เราคิดว่าเราตายจากเขาไปแล้ว mm hmm. เขาต้องอยู่ของเขาเองแล้วเขาต้องช่วยตัวเขาเองแล้ว ถ้าเราสมมติว่าเราตายไปวันนี้เขาก็จะเราทำยังไงเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองต่อไปช่วยได้มากช่วยได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของเขาถ้าช่วยได้มากก็อยู่ได้นานหน่อยถ้าช่วยได้น้อยก็อยู่อยู่ไม่ได้นานแต่ผลก็คือตายเหมือนกันนั้นเรื่องเรื่องขังทางร่างกายนี้อย่าไปกังวลมากจนเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรค ที่จะมาทำให้เราไม่สามารถก้าวสู่การปฏิบัติทำขั้นสูงได้ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระอรหันตสาวกอยู่เรื่อยๆดูท่านเป็นแบบเป็นฉบับท่านก็มีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องคอยดูแลแต่ท่านก็สลับได้หลวงปู่พรมท่านก็มีเป็นเศรษฐี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 ผู้อื่นต่อไปพาผู้อื่นได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากกูบาจารย์ทุกรูปท่านทำอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนกันหมดนั้นถ้าถ้าการออกบวชการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการทำบาสนั้นคูบาจารย์ทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นผู้ทำบาปกันมากไม่ได้ทำบาปเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำบุญส่วนนั้นคือ อาจจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ในตอนนั้นแต่มันก็อาจจะเป็นระยะสั้นๆ น, น, นั้นเองถ้าปฏิบัติจริงๆพระเจ้าก็ทรงตัดเวลาว่าเจ็ดปีเป็นอย่างมากเหมือนกับไปเรียนมาหาวิทยาลัยสี่ปีก็จบมาได้ทาไมเวลาเราเป็นศึกษาต่างประเทศทำไมเราไม่ได้คิดว่าเราทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งภารกิจการงานต่างๆเราไปศึกษาเพื่อเราจะได้วิชาความรู้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 อยากจะถามอะไรไหมเวลาเราปฏิบัติเราไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะแปลกเรามุ่งไปที่การปฏิบัติของเราอย่างเดียวใครจะเป็นใครจะตายอย่างนันไม่สนใจเขากลับเป็นห่วงเป็นใยเราแต่เรากลับไม่ห่วงเขาคิดว่าเราเป็นบ้าเสิได้ทั้งไป ไปเรีนยนเมืงนอกเมือนามาทมกลับมากลายเป็นเหมือนคนขอทานอยู่แบบคนขอทานอยู่ว่าเราสุขของเราแบบนี้เนี่ยแต่เราไม่ขอใครใค ร, ใครเขากินก็นแล้วกันแต่เราอยู่แบบขอทานคือเราอยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์แต่งกายแบบเรียบง่ายกินแบบง่ายง่านอนแบบง่ายง่ายเพื่ออะไรกลายเป็นเหมือนว่าเราเป็นขอทานไป แต่สังเกตที่ดูนะคะว่าลุ้นแล้วแต่ลงที่ท่านบรรลุเป็นชาติสุดท้ายของท่านคือบ ร, ริีท่านจะเด็ดเดี่ยวมากเลยนะคะค่ะและในบ ร, ริมิสิบของพระวสสันดรก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทสมมาสัพยาอมสมานะโคดมในชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรที่าสลับทุกอย่างเพื่อแก้คนทั้งหลายคือในเมื่าต้องทําให้กับคนอื่นมีความสุขก่อน เพื่อที่ยาบุญเนี่ยเป็นทุกขโพธิญาต่อไปนะคะท่านไม่ทำให้คนอื่นมีความสุขท่านทําให้ท่านมีความสุขต่างหากในข้อปัญหาตรงนั้นโดยการให้ท่านไม่ได้มุ่งไปที่คนอื่นท่านมุ่งไปที่ใจของท่านเวลาท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านต้องการจะให้เพียงแต่รอให้คนมารับเท่านั้นเองพอมีคนมารับท่านก็ให้เลยท่านไม่ได้ไปตั้งเป้ากว้างไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้หรอกไม่ใช่ อันนี้เป็นการมองผิดกันให้ความสุขพราท่านต้องการสละท่านไม่ต้องการที่จะมีความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองท่านไม่ได้ไปมุ่งเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแบบที่คนเขาคิดกันทุกวันนี้ว่าการเป็นโพธิสัตว์นี้ต้องช่วยให้ทุกคนไปสวรรค์ก่อนให้เขามีความสุขกันอันนั้นไม่ใช่การเป็นโพธิสัตว์ก็คือการสร้างทานบา ร, รมีนี้เพื่อตัดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง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 มีความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆท่ อ, อาจารย์อย่างที่น อ, อาจารย์บอท่านอาจารย์มีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาจากเรียนแลท่านอาจารย์ไอความรู้สึกอย่างเนี้ค่ะมันก็อย่างมัมนไม่ยอมมี <laughs> <im> ก็อยากแต่บางทีเราไม่มีก็ทำไปด้วยไม่มีก็ทําไปเดียวมันก็เกิดขึ้นมาเองทุกครั้งที่ยาวเงินไปซื้อของก็เอาไปทําบุญนะคือคาตอบนันเหมือนกับว่าอ้าวภาวนาไปมากๆเออทําไปมากๆแต่มือนทําแล้วมันไม่เห็นไหนตัวอย่างแบบทุกกาบ้านตัวอย่างอะไรทนไม่มากเลยมันทําไม่มากเลยเราคิดว่ามากวันทักเกี่ชั่วโมงเรีว่ามาก ขอาจานทำทําทานทั้งวันเลยเติมแต่ตื่นจนหลับเลยมากทีเห็นชัทานทักเท่าไหร่อันนี้มีเท่าไหร่ <c oughs> เอาไปแจกได้สักครึ่งนึ่งก็ปะ <c oughs> อาจารย์เดชภาว네นาเป็นหลักเลยมันก่อนจะถึงภาวนาได้มันก็ต้องทานก่อน <c oughs> ถ้า ม, มีทานแต่เราก็ทําทานพอประมา ณ, <c oughs> ถ, ามาณถ้ามันประมาณก็ภาวนาก็พอประมาณ ม, มันเป็นตามขั้นของทานศีลไปเอถ้าเหมือนกับเราสร้างบ้านสร้างอาคารถ้าเราตอกเข็มน้อยมันก็สร้างอาคารได้ไม่สูงมาก ถ้าเราต้องการสร้างอาคารที่สูงแล้วก็ต้องตากเสาตอเข็มให้มากให้ให้ให้ฐานมันแข็งแรงม่เหมือนเาะว่ามันต้องสําคัญแต่ใช่มันมันมันรับน้ําหนักกันไปไงมันมันสนับสนุกันไปเห็นถ้าทานน้อยศีลก็จะน้อยภาวนาก็จะน้อยถ้าฐานมากศีลก็จะมากหมางว่าคนภาวนามากๆต่ทานก็ปกติแต่ว่าไปเน้นภาวนามากมันก็ทำไม่ได้แล้วก็ราทานนี่มันเป็นเหมือนสมอเลือง ถ้าคุณไม่อยอมถอนสมองเลอคนติดเครื่องไงเหยียบคันเร่งไงมันก็ไม่มันก็ไม่ไปอยู่ดีความตันหนีมันยังมีอยู่แล้วความแล้วความอยากใช้เงินซื้อซื้ อ, อความสุขต่างๆมันยังมีอยู่ ม, ม, มันก็เลยภาวนาบแบบแบบขอไปที ฟอร์มไม่ให้เสียเสียฟอร์มถามจะเสียฟอร์มลูกก็ปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าลูกรู้สึกว่าคือตอนแรกๆแรงจูงใจึ้นหนังตัวอย่างก็ยังไม่เห็นแต่ว่าแรงจูงใจของลูกคือว่า ชาที่แล้วคงทําน้อยชาตินี้มันถึงยากชาตินี้ยังไม่ทำชาหน้ามัยากไปเลยก็เหมือนเดิมอยู่นั่นก็เลยตั้งใจทําไปก่อนแล้วหนังก็มาเองใช่ทาไปแล้วเดี๋ยวผลมันก็เกิดขึ้นมาเองก็กำลังรอดูหเรียนหนังรอดูผลแต่ไม่ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุไม่ซื้อตั๋วไม่ก็ดูแต่แผ่นที่อยู่หน้าหน้าหน้าลงไม่ได้เข้าไปในโรงเข้าไปใน ไม่ยอมเสียเงินจวได้เงินเ็บแลวกันเนี่ยแต่ไม่เด็กๆเวลาเราอยากจะดูหนังเราไปยืนอยู่น้าโลพอผู้ใหญ่มาก็เกะแขนแเด็กกเก็บกังเลยาเกขนอแม่้าไได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่พาเข้าไป ตอนนั้นไม่มีสตังอยู่กับญาติญาตเขาไม่สนับสนุนเรื่องบันเทิงอะไรต่างๆพุ่มเฟยเพราะยากจนเไยต้องเก็บเงินไว้สําหรับปัจจัยสี่เป็นหลัก น, นถ้าอยากจะหาของพุ่มเฟย น, นี้ต้องหาเอง <c oughs> ข, ขอแล้วขอแหละคนไหนรู้จักก็ขอเลย <c oughs> <c oughs> ขอทีละสิบตั้งยี่สบสตังสมาดนั้นก็ให้ทีเกือพอไปซื้อติ้งได้แท่ง ย่าท่านอาจารได้ได้ปูฐานทางศาสนามาไหมคะท่านเป็นคนจีนท่านก็รักษาท่านก็ชิงกินเจเป็นประจำ<า>ทุกปีก็ตอนก็ไปอยู่ลองเจไปกินเจแล้วก็ไปกับท่านไปดูงิว้วไปแต่งชุดขาวอยู่ลองเจอะไไหว้เจ้าวัวนตุษจีนสาจีนอะไรทำขนมทำของไหว้ทำกระดาษเผา อ, อะไรย่าเป็นเป็นธารตอนเด็กๆไปไหนย่าเป็นเหมือนแม่ เพราะพ่อแม่ไปฝากไว้ตั้งแต่อายุสองขวบ mm hmm. ทิ้งไว้ประมาณสักแปดปีมั้งพออายุสิบขวบแล้วค่อยมาเอา mm hmm. มามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพอัน mm hmm. นั้นอยู่ที่สุพรรณบุรีก็ต้องหาถ้าต้องการเงินพิเศษก็ต้องหาเอง mm hmm. ตอนอยู่ปหนึ 1, mm ่ง hmm. ปสองนี่จำได้ว่าก่อนจะไปโรงเรียนนี่ไปขายปลาท่องขูก่อน mm hmm. เอาเอาเงินที่ขายป้าต้องโกนี้ไปกินที่โรงเรียนชาที่โรงเรียนเสาที่ก็ไปรับขนมจีบสาระเปลามาขายเงิอนขายไม่เคยอยู่ว่างๆน่าจะคิดเองอ่ามีที่ไหนหาเงินได้หาประโยชน์ได้มักมันจะทำของมันเองมไม่มีใครมาสอนไม่มีใครมาบอกให้ไปทำขอทำเอง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 ไม่ได้ไปก็แล้วไปไดนไปก็ดีส mm hmm. มัยเด็กๆช่วงนั้นที่เรียนหนังสือ พ, พ่อ้องใจดีก็ให้เงินใช้มากหน่อยก็เลยทุกสาวทิตศมีเงินพอไปดูหนังได้วัดบอลบางเรื่อง mm hmm. สาวทิศนี้ก็ได้ดูสองเรื่องตายหมด <laughs> หนังญี่ปุ่นหนังอินเดียแ <laughs> ถวแ <laughs> ถวบอร์ดเวแถวแคปิตอลแถวไหนนี่ไปดูหน่อย <laughs> แถ ว, วังบุรพาก็ไปแถลมไทยแถลมกรุงนี่ไปหมดทุกโรงรู้จักหมดแต่ซื้อตั๋ว5้าบาทมั่งเจ็บาทมั่งเตั๋วชั้นหน้าเลย <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนนี่สามแถวหน้ามันห้าบาทง <c oughs> แล้วสองแถวหลังตามมาก็เจ็ดบาทแล้วหลังชั้นหน้าถึงนี้เป็นสิบบาทถ้าชั้นบนก็สิบสองบาทกับสิบหกบาทนี่ วันนห้่เราจะตีแค่5้าบาทเจ็บาทนั่งเงยเวลาหนังฉายแล้วบางทีกันหนีไปนั่งข้างหลั ง, งที่ว่านบางีไปนั่ง้างหลังบางทีก็โดนเข้ามาไล่กลับไปท่อาจารย์คะถ้ากรณีที่บ้านตัวอย่างเรายังไม่ชัดเจนแต่เราเคยเห็นมาตัวอย่างที่พ่อแม่บาอาจารย์ท่านหยิบยกออกมาเล่าให้ฟัง ซึ่งฟังทั้งใดมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนว่าอยู่แค่เอื่อมนิดเดียวองนี้ะคะก็ ม, มีความรู้สึกว่าแค่มีความหมายมากเพราะสังเกตดูที่ผ่านมาตลอดชิสี่หปีเนี่ยเคยท้า <laughs> <laughs> ปีเนี่ยเคยทำจสงบประมาณ3ามครั้งก็จะไม่ลืมนะจ๊ะนี้พอเป็นตัวอย่างเราเล่่ถ้าอก็อยู่ที่เราไงเราพอใจหรือเปล่าพอใจที่ยาบวนหรือเปล่า อยากมีปมใจมีอยู่มาถึงคำถามที่ลูกอยากถามมากเลยคือถ้าอย่างที่เห็นนักตัวอย่างเนี่ยถ้าเรายังไม่ออกบวชสักทีก็แปลว่านักตุ้ย่างเรายังยังไม่ไม่ไม่ไม่ลึกซึ้งไม่ไม่ไม่ไม่ทำให้เราสงบอย่างทข้างเราอยากก็อาจจะไม่เห็นแบบชัดเจนมั้งเห็นแบบแวบๆเห็นแบบแวบๆยังไม่ประทับใจ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 พอนั่งพอนั่งสมาธิได้จิตสงบนี้มันเห็นว่ามันขาดกันแล้วเวลาทางานนี้จิตต้องทำงานจิตมันต้องหมุนมันต้องฟุ้งเวลามานั่งสมาธิก็ยากที่จะทำให้มันสงบถ้าไม่ทำงานนี้จิตก็จะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวุ่นวายมากก็จะทำให้จิตสงบง่ายแล้วก็จะมีเวลาทำให้มากขึ้นก็เลยก็เลยพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเอะเรา มีทรัพยากรอยู่ก้อหนึ่งพอที่จะอยู่ได้ปีหนึ่งปฏิบัติได้ปีหนึ่งเราก็เลยขอลาออกแล้วก็ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งแสดงว่าท่านอาจารย์นั่งทุกครังสงบทุกครั้งเลยใช่ไหมก็ใหม่ๆก็ก็ไม่ถึงกับสงบแบบทันทีทันใดมันก็ก็สู้กันไปก็สงบบ้างนิดๆหน่อยๆ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 เวลาเห็นท่านปั๊บนี่ใจมันทุกข์ขึ้นมาทันทีท่านอาจารย์ได้ก่อนอยู่มัณฑะท่านจารย์เคยได้ฟังเทปของท่านไหมครหรือไปไม่รู้จักไม่เคยรู้จักท่านเลยจะไม่รู้จักท่านก็ตอนที่บวชแล้วไปอยู่ที่วัดบอลแล้วพอดีพบพวกพระฝรังเขาเขาเดินทางไปศึกษาที่วัดสามัณฑะกันก็เลยคิดว่าอยากจะลองไปดูเป็นวัดแรก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 แล้วท่านกเน็เมตตาให้อยู่ก็เลยไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นั่นก็เก้าปีแปดปีกว่าเก้พาพรรษาออกมาสองครั้งนครั้งแรกก็ห้าพรรษาผ่านไปแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งนึงครั้งที่สองก็แปดพรรษาผ่านไปแล้วครั้งที่สามก็พรรษาเก้าออกมาก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ต่อ มาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ภาจาอันนี้ก็สามสิบเก้าแล้วรู้สึกที่ครอบปีที่สามสิบเก้าก็มาอยู่วันนี้เกือบสามสิบพรรษาแล้วพอละพเรามาสามพรรษาสิบพรรษาเก้านี่พรรษาสิบอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ 3, อยู่ในเมืองพัยยทย า, าอยู่ที่นั่นพรรษาหนึ่งเราอยู่ที่นี่ยี่สิบเก้าพรรษา โอ้ยเกินเวลาเนี่ยเอางั้นพอลเอาแค่นี้ก่อนนะอาจารย์ค่อยว่ากันใหม่ค่ะอาจารยวอาจารย์เห็นตัวอย่างก่อนแต่ว่าอาจารย์มันมีมีทุนเดิมแล้วไอ้ส่วนที่พวกที่ยากอาจารย์ก็ให้กาลังใจไม่อยากบอกว่ายากให้เหมือนามากแต่ทุคือจะมีทุนมาก่อนไม่มีทุนมาก่อนไม่สำคัญ ถ้ามาเจอพระพุทธศาสนาแล้วนี่ถือว่ามีคนมาช่วยลงทุนให้เราแล้วแหละแล้ว เ, เพียงแต่ทําตามที่เขาสนับสนุนเราเท่นีมีพระเจ้ามาสนับสนุนเราแล้ ว, ลวเราไม่ต้องหาทุนเองมีคนอื่นเขามาลงทุนให้เราแต่เราไม่ยอมทาเราไม่ยอมทางานนี้กันะจะมาอ้างว่าตาง ต่างบา ร, รมีต่างทุ น, น <c oughs> ชอบหาเรื่องอะทำต่อไป